จะได้รู้แล้วก็คุณหมอก็จะแนะนําว่ากินยานี้กินยานัน้นหรือจิตยาหรือว่าผ่าตัดจะแก้ได้ยิ่งเรารูา้อไปหาหมอแล้ลวก็รู้ว่ามันอาการยังเล็กน้อยก็จะรักษากายมันก็ง่าย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 เราก็มันหยุดได้หยุดเบียนเบียนบี น, บ น, บนเป็นสัญชาติเยานหรือว่าวัตถสุสารที่เบียนมาเบียนไปเป็ น, อ, อ, ป น, ปนอะไรนอะไรเป็นเป็นอะไรเรื่อยเรื่อย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 อริยสัจข้อที่ามก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดนิโรธไดเออ้เป็นสาเหตุทําให้เกิดนิโรธได้คือมัคคอม8เป็นข้อที่4ของอริยสัจสี 4.